บวชแล้วสะเดาะเคราะห์ได้จริงหรือถามผมเพิ่งโดนขโมยของมีค่าไปร่วมสองแสนระหว่างเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดมีคนแนะนำให้สะเดาะเคราะห์ผมก็ไปที่วัดหนึ่งซึ่งมีพระกำลังประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ที่แรกรู้สึกร้อนวูบวูบวบวบ แต่ก็แปลกใจที่เมื่อญาติยมลุกไปหมดแล้วท่านชี้ตัวผมว่าให้อยู่ก่อนและบอกถูกหมดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมารวมทั้งระบุว่าราหูกำลังครอบแขนครอบขาเร็วๆนี้ต้องเสียอวัยวะผมกลัวมากกระวนกระวายร้อนใจคำแนะนำของท่านคือให้บวชสักเจวันหรือ15ห้าวัน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 ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปหาท่านอีกเพราะได้รับคำแนะนำสำเร็จรูปมาเสร็จสับหมดแล้วคือให้ไปบวชแก้เคราะ์เสียตามหลักของพุทธเราวิธีสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดหรืออีกนายหนึ่งวิธีโยกย้ายเงาราหูออกไปจากหลังของเราก็คือทำจิตให้เย็นมีสติให้มากอาศัยเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเผชิญมานั่นแหละเป็นบทฝึก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 ได้เย็นกว่าที่เคยเพราะดับความกระวนกระวายในพบเก่าลงสนิทแล้วกรณีของคุณเริ่มมาจากการโดนโจรกรรมของมีค่าแต่เราร้อนเพราะเสียดาย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 ถ้ารู้จักทําทานสองแสนซัครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปจะรู้ว่าต้องจัดการกับจิตใจตัวเองอย่างไรเมื่อสูญเสียน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากยิ่งกว่านั้นคุณอาจได้ชื่อว่าใช้เงินสองแสนซื้อระดับชีวิตใหม่เป็นสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นทุกข์วันหนึ่งคุณอาจมองย้อนกลับมาแล้วเห็นว่าปี2006นี้เป็นปีทอง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 ใไหนซับก็สูญไปอย่างยากจะตามกลับแล้วลองได้อะไรวิเศษวิเศษทางใจกลับคืนมาบ้างอย่างน้อยคงดีกว่าอุ้มทุกข์เป็นของแถมแน่นอนคิดได้แล้วถามเพื่อนๆดูว่าหน้าตาคุณเหมือนคนเพิ่งโดนเชืิดสองแสนหรือเหมือนคนเพิ่งได้ทำบุญสองแสนหากฝังใจเครียดแค้น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 ดูเข้าไปตรงๆคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวใจก็ยึดมากบ้างเดี๋ยวใจก็ยึดน้อยลงบ้างกะแค่ความแน่นอนทางใจยังไม่มีแล้วคุณจะมีสมบัติใดอยู่จริงสิ่งที่คุณมีจริงก็แค่เรื่องไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองหากเห็นตามนี้ได้คุณจะมีสติและความตื่นรู้ยังไม่เคยเป็นมาก่อน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 ผมก็คิดว่าคุณควรไปใส่บาตรถวายสังฆทานกับท่านบ้างก็ดีและขอถือโอกาสบอกไว้กว้างๆเลยว่าการทำบุญเสดาะเะคราะห์นั้นแต่ละคนให้คำแนะนำไม่เหมือนกันหากคุณได้รับคำแนะนำประเภทเรียกร้องซับเข้าตัวผู้แนะนำก็ขอให้ระมัดระวังดีๆเพราะไม่มีคนขี้โลบที่ไหนมีคุณวิเศษ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 ลองได้อะไรวิเศษวิเศษทางใจกลับคืนมาบ้างยังน้อยคงดีกว่าอุ้มทุกข์เป็นของแถมแน่นอนคิดได้แล้วถามเพื่อนๆดูว่าหน้าตาคุณเหมือนคนเพิ่งโดนเชิดสองแสนหรือเหมือนคนเพิ่งได้ทำบุญสองแสนหากฝังใจเครียดแค้นคุณอาจได้ชื่อว่าเลี้ยงความกลัวเอาไว้ถ้าอดไม่ได้